ในเรื่องขายแว่นมันทาไมกังวลนะเพราะมันคนมันจยไปทำอะไรไปห้ามเขาไม่ได้หรอกขายเชือกเขาก็ไปฆ่าคนได้ขายอะไรมันถ้าเวลาจากร้ามันก็ช้อนซ่อมมันก็ไปฆ่าคนได้ซ่อมไปมีดทากับข้าวก็ไปฆ่าคนได้ถ้าเขาจะเอาไปฆ่าสักอย่างไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเราไม่มีเจตนา แล้วของไม่กไม็ไม่ได้มีไว้ให้เป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะไปทำมันก็เป็นเรื่องของเขาเก็ไม่ต้องทำมาหากินอย่างเครัยขายอะไรก็ไม่ได้น้ำนี่ยังยังกินค่าคนได้เลยเนี่ยกรอกน้ำใส่ปากคนวเนี่ยคออถ้ามันเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีไว้เพื่อไปทำรายชีวิตของผู้อื่ น, นไม่มีปัญหา นอกจากเป็นสินค้าเป็นสิ่งที่มีเจตนาที่จะไปใช้ทําร้ายชีวิตอันนั้นถึงควรจะเลิกเช่นขายยาฆ่ า, มาแมลงขายอาวุธที่เขาใช้ในสงครามอะไรนี่มันมีเป้าหมายในการเอาไปฆ่าอแต่ถ้าเราขายแว่นแล้วเอาแว่นไปใช้เป็นเครื่องมือมันก็ห้ามเขาไม่ได้นะ แต่เราไม่ได้ขายไว้เพื่อให้เขาไปใช้ใช้อย่างนั้นใช้เพื่อให้เขาให้ตาเขามองเห็นนะสายตาสั้นสายตายาวจะได้เห็นชัดจะได้ทาอะไรได้วันนี้พาเด็กๆมาจากที่ไหนกันนะจากละยองนะจากละยองคนระับเคยมาบ้างเคยครับถ้านั่งข้างบนนี้ต้องนั่งนิ่งอย่าเป็นลิงไม่ได้นะ เรียนอยู่คนนอกครับอ่าแล้วพามาครับเพ่อปิดเทอมครับยายอาจารย์ไปเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ออสเตรเลียไปได้กี่ปีลนะ อ, อ่คนโตไปได้ปีกว่าครับนี้ไปได้ขึ้นปีครับไปอยู่คนสองคนอยู่คนนอกครับอยู่คนล เ, เมเืองเหรอหรอเมืองเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันครับโรงเรียนเดียวกันอืนก<ป>็าี่ปิดเทอมเล ย, เยพามากราบอาจารย์ เป็นนรงแงีกินนอนน ะ, อ, ะอยู่อยู่ที่บ้านเป็นเป็นลุงนะอ๋ออยู่กับลุงผมไม่ต้องเสียค่าล่าเรียนนะเสียไหมเสียแต่ค่าเทอมค่ากินอยู่ฟรีเป็นโรงเรียนของเอกชนหรโรงเรียนของรัฐนะรัฐบาลครับรัฐบาลนนะ่ เราขอบีซ่าแบบไหนไปวิท่านักเรียนนะนีใครอยากจะถามอะไรไหัหยถามได้นะถ้าอยากจะถามอะไรไการพาพาเด็กเข้าวัดนี่ก็เป็นเป็นการกระทำที่ดีเป็นการหล่อหลอมจิตใจ ให้เด็กไปในทางที่ดีให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษที่เป็นของจริงแต่เป็นของที่พิสูจน์ได้ยากวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลบุญผล บ, ญบาปได้ก็เลยทําให้คนที่ ศึกษาวิชาความรู้ทางโลกเช่นวิชาวิทยาศาสตร์เราจะปฏิเสธเราจะไม่ไม่เชื่อเรื่องผลบุญผลบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องการเรียนว่า้ตายเกิดเพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้เมื่อพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลย ตัดไปออกไปว่ามันไม่มีมันไม่เป็นความจริงเป็นความเชื่ อ, มองมงายแต่ความจริงมันเป็นความจริงแต่เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็น ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงเห็นสวรรค์ทรงเห็นนรกทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราไม่เห็นผู้ที่จะไปสวรรค์ผู้ที่จะไปนรกผู้ที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเราเห็นร่างกาย ซึ่งเราไปคิดว่าเป็นตัวเราแต่ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นตัวที่เราใช้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆแทนเราเพราะเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตาหูจมูกนิ้นกาย แต่เรามีความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเราเลยต้องมีร่างกายตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายตัวเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายมีแต่ความรู้สึกนึกคิดผู้ที่รู้ผู้ที่คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายนี้เขาไม่รู้เขาไม่คิดเขาเป็นเหมือนกล้องอโทรศัพท์มือถือนี่เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายภาพอะไรเขาไม่รู้ว่าคขารับเสียงอะไรเข้าไปเขาเพียงแต่ทำหน้าที่ถ่ายภาพอัดเสียงบันทึกเสียงร่างกายก็เป็นเหมือนกล้องทำหน้าที่ ถ่ายภาพคือเอาภาพรับภาพมาแล้วก็ส่งไปให้เราอีกทีหนึง่ง<ฮ>เสียงรับเสียงเข้าไปทางหู<ฮ>แล้วก็ส่งไปให้เราผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึง่งผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้มีกระแสะที่จะมารับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสผ่านทางร่างกาย กระแสที่มารับนี้เป็นเหมือนสายไฟสายสายที่เราเสียบถ้าเราเสียบสายเข้าไปในปลั๊กมันก็จะให้ไฟฟ้าวิ่งเบียกไฟฟ้าวิ่งเข้าไปที่หลอดไฟทำให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันกระแสที่มาเกาะที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเนยมันก็จะรับ ภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสแล้วก็ไปให้ให้เราผู้รู้ผู้คิดเราเป็นผู้รู้ผู้คิดได้รู้ได้ได้รู้ว่าตอนนี้เราเห็นภาพแล้วตอนนี้เราได้ยินเสียงแล้วตอนนี้เราได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสสิ่งต่างๆเช่นอากาศหนาวเย็นอากาศร้อน ในเวลามีของแข็งมากระทบกับร่างกาย<ม>เวลามีของนิ่มมีของแหลมคมมาทิ้มแทงร่างกาย ม, มันก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาที่เราอีกที่หนึ่งเราเป็นเพียงผู้รับรู้แต่เนื่องจากเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยคิดว่า เราเป็นผู้รับสิ่งต่างๆผู้ที่รับสิ่งต่างๆคือร่างกายความเจ็บอยู่ที่ร่างกายเวลามีเข็มมาทิ่มแทงร่างกายร่างกายเจ็บแล้วเราก็รู้ความเจ็บอันนั้นนี่ความหลงมันความหลงที่คิดว่าร่างกายเป็นเราเราก็เลยเจ็บ ไปกับร่างกายด้วยเราจึงไม่ชอบความเจ็บพอเรามีความไม่ชอบความเจ็บมันก็เลยทําให้เราทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ที่รับรู้สิ่งที่มามากระทบกับร่างกายนร่างกายเขาไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มากระทบกับตัวเขา เข็มมาทิ่มมาแทงเขาก็ไม่รู้ว่ามีเข็มมาทิ่มมาแทงเขาเขาก็ปล่อยให้ทิ่มแทงได้เช่นเวลาที่เรากับร่างกายตัดการติดต่อกันล้วเช่นเวลาที่ร่างกายตายไปนี้เขาจะเอาร่างกายไปเผาไปฝังร่างกายมันก็ไม่ดิ่งไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่สะทกสะท้านเพราะเราไม่มีความรับรู้กับ ร่างกายนั่นแหลวเวลาร่างกายตายไปก็เหมือนกับเราถอดปลั๊กออกจากที่เสียบปลั๊กพอถอดปลั๊กออกไฟเก็ไม่สามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้ข้อมูลต่างๆที่จะเข้ามาให้เรารับรู้ก็ถูกตัดไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสทางร่างกายก็จะไม่มาถึงเรา เพราะนั้นเขาเอาไปร่างกายไปทำอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนหรือสมัยนี้เวลาที่เขาทําการผ่าตัดเนียเขาก็มีการใช้ยาใช้อะไรระ ง, งับไม่ให้ร่างกายส่งข้อมูลมากับที่เราเราก็เลยไม่รับไม่ได้รับดูข้อมูลทางร่างกายเหมือนตอนที่เรานอนหลับไป เขาจะผ่าร่างกายเขาจะตัดจะต่ออะไรของร่างกายเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับการากระทําต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่พูดนี้ก็พูดให้เห็นชัดว่ า, าในตัวเรานี่เราเรามีสองส่วนตัวที่เป็นตัวเรากับตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวเราตัวที่เป็น ไม่ใช่เป็นตัวเราก็คือร่างกายร่างกายเวลาตายไปมันก็สลายไปกลับคืนสู่ดินน้ำลมฝอยไปส่วนเราผู้ที่มามีความติดต่อกับร่างกายพอไม่มีร่างกายเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไป ก็ไปเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ถอดปลั๊กออกจากปลั๊กนี้เดี๋ยวก็ไปหาปลั๊กอันอื่นปลั๊กอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วปลั๊กมันนี้ไฟไฟไม่มีแล้วเสียไปก็ไม่มีไฟร่างกายนี้ไม่ไม่ทำงานแล้วไม่ส่งภาพไม่ส่งเสียงไม่ส่งกลิ่นอะไรมาให้กับเราแล้วเราก็เลยถอดปลั๊กออกแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเสียบ ป, ปลั๊ก กับร่างกายใหม่แค่ในเวลาพ่อแม่ผสมพันธ์กันพอมีเชื้อของพ่อของแม่มาม า, มารวมตัวกันอพอเริ่มก่อตัวขึ้นมาปั๊บเราก็ไปเสียบปักเลยถ้าเราถ้าเราผ่านมาเนื้อมาจังหวะมาพบกับร่างกายเรากําลังต้องการร่างกายแล้วพอดีมีร่างกายกําลังก่อตั้งขึ้นมาเราก็เข้าไปเสียบปักเลย จะไปเร็วกับคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมีคนเยอะๆที่กำลังจะรอร่างกายอันใหม่กันอันนี้ก็อยู่ที่พลังจิตของใครแ ล, ล้วะใครมีพลังจิตที่แรงกว่าเร็วกว่าก็สามารถที่ได้ได้เสียบก่อนเสียบปักก่อนมีปักไฟอันหนึ่งมีคนร้อยคนนี่มาแย่งกันเสียบนะี ไทยเร็วกะกันก็เสียบไปพอถ้าเราไม่ทันปลั๊กนี้เราก็ต้องไปหาปลั๊กอื่นเหมือนเราขับรถไปหาที่จอดรถเนแล้วเราขับพอเจอที่ว่างจะเลี้ยวเข้าไปรถคันอื่นเขาเลี้ยวเข้าไปก่อนเนี่เราก็ต้องไปหาที่จอดใหม่นี่คือการมันกลับมาเกิดใหม่มาเสียบปลั๊กเข้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายอันใหม่ เนี่อธิบายให้เราเห็นว่ามีผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายก็คือเรานี่แหละเพราะเราออกมาจากผู้รู้ผู้คิดผู้คิดเนี่ยคิดคิดให้มีเราขึ้นมาก็เลยมีเราถ้ามันหยุดคิดเรามันก็หายไปเราก็หายไปเวลานั่งสมาธิเวลาใจสงบใจไม่คิดตัวเราก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ ตัวคิดหยุดคิดก็เลยเหลือแต่ตัวรู้เราก็รู้แล้วเราก็เลยเห็นว่าตัวเรานี้เกิดมาจากตัวคิดนี้เองพอคิดว่าเป็นเราก็เราขึ้นมาพอคิดว่าร่างกายเป็นเราก็เชื่อว่าเป็นนั่งเป็นเราขึ้นมาพอคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเราก็เชื่อว่าเป็นลูกเราขึ้นมาเดี๋ยวเกิดถ้าโรงพยาบาลก็มาบอกว่าเขาสลับกันจะทําไงเรายังเชื่อหรือเปล่าว่าเป็นลูกเราอยู่ ถ้าเราไปคลองแล้วลูกที่โรงพยาบาลแล้วพอดีพยาบาลเขาผิดพลาดเขาสลับเอาเด็กไปนอนผิดเตียงเนี่ยเอาลูกคนอื่นมานอนเตียงเราเตียงลูกเราแล้วเอาลูกเราไปนอนเตียงลูกคนอื่นแล้วเขาก็มาบอกว่านี่เป็นลูกของเราเนี่ยเราก็เชื่อใช่ไหมว่าเด็กมันเหมือนกันอ่ะมันจะไปดูออกว่าเด็กคนนี้กับเด็กคนนั้นมันต่างกันตรงไงถ้าเป็นเพศเดียวกันก็ดูไม่ออกะ ก็เลยเชื่อว่าเป็นลูกของเราเลี้ยงกันมาก็รักเป็นเหมือนลูกเราใช่ไหมเพราะเราคิดว่าเราเพราะเราคิดว่ามันเป็นลูกของเราเราก็เลยเชื่อแล้วพอโงงพยาบาลเข้ามาทราบภายหลังเขาก็มาบอกเราว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกของคุณคุณจะทำยังไงคุณจะเชื่อแล้วไม่เชื่อคุณจะเปลี่ยนใจได้ไหมเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี้ได้เปล่า ก็เหมือนกันเนี่ยร่างกายของเราก็แบบเดียวกันเลยร่างกายเรานี้เราไปคิดว่ามันเป็นเราอ่ะแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นเราใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เป็นเราเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเปล่าพระพุทธเจ้าท่านรู้่ท่านเห็นของจริง <c oughs> ท่านไปคน้นประวัติของเราแล้วท่านค้นแล้วว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นตัวคิดตัวรู้ ร่างกายนี้มันเป็นตัวที่เราไปคิดว่าเป็นเราเนั้นเองเป็นตัวเราเราก็เลยเชื่อว่ามันเป็นตัวเราขึ้นมาเ mm. นี่ยพอเชื่ออะไรพอคิดแล้วเชื่อปั๊บมันก็มันก็เลยเชื่อว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเพราะทุกคนก็เชื่อแบบเดียวกัน mm. เกิดมาพ่อแม่ก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายของพ่อของแม่เขาก็คิดว่าเป็นตัวของเขา ทุกคนก็เชื่อว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเขากันทั้งนั้นแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้หละเป็นสิ่งที่พวกเราโง่กันถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฉลาดกว่าเราตรงนี้ตรงที่มาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเพราะท่านค้นคว้าดูที่ร่างกายของท่านท่านก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวของท่าน ท่านไปพบตัวของท่านว่าเป็นตัวรู้ตัวคิดนะเวลาท่านนั่งสมาธินี่ตัวรู้ตัวคิดแยกออกจากตัวร่างกายก็เลยรู้ว่าอ๋อเวลาร่างกายนี้เป็นอะไรไปตัวรู้ตัวคิดนี้ไม่ได้เป็นไปกับร่างกายตัวรู้ตัวคิดนี่แหละเป็นตัวทำบุญทำบาปเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทำเหมือนกับคนขับรถเนี่ย รถกับคนขับใครปคใปคใเป็นคนสั่งให้รถวิ่งไปวิ่งมาคนขับรถใช่ไหมเป็นคนสั่งให้รถวิ่งเวลาคนขับรถไปชนคนตายนี่ตํารวจเขาจับรถไปขังในตารางหรืเอเปล่านะเขาจับคนขับใช่ไหมกฎแห่งกรรมก็แบบเดียวกันใจผู้รู้ผู้คิดเป็นสั่งเป็นคนสั่งให้รั่งกายไปทำบุญทำบาป เวลาร่างกายตายไปเขาเอาร่างกายไปสวรรค์ไปนรกได้ปะ่ะไปไม่ได้เพราะมันก็ต้องไปไปโบสถ์ไปไปเมนไปเผากายกายเป็นขี้เท่าไปผู้ที่ไปนรกไปสวรรค์ก็คือเรานี่แหละผู้รู้ผู้คิดแล้วสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสภาพความรู้สึกในใจเรานี่เอง เวลาเราทำบาปใจเราสุขหรือทุกข์ร้อนหรือเย็นอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำบาปเราเรียกว่านารกใจร้อนใจทุกข์ก็เป็นนรกขึ้นมาแล้วนอกจากนารกมันมีมีความรู้สึกละต่างระดับกันหลายอย่างทำบาปมันทำให้เรามีความรู้สึกหลายอย่างทำให้เราทุกข์ ทุกข์เพราะความร้อนเพราะความโกรธเกลียดเครียดแค้นข้ามปยิบารทุกข์เพราะความกลัวทุกข์เพราะความโลภความความหิวความโลภทุกข์เพราะความหลง่ถ้าเราไปทำบาปแล้วเราใจเราจะเกิดความทุกข์สี่ชนิดด้วยกันทุกข์เพราะความหลงถ้าทุกข์เพราะความหลง่นี้ก็จะไปได้ร่างไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน ในราชาเนี้ยเขาอยู่แบบความหลงเขาอยู่แบบไม่รู้ว่าบาปบุญเป็นยังไงเขาก็ทุกกับการทําบาปของเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาทุกเพราะว่าเขาไปทําบาปกันสัตว์นี่มันทุกตลอดเวลาเพราะมันต้องมีความหวาดระแวงเพราะสัตว์มันกินกันสัตว์มันไม่ปลอดภัยเหมือนมนุษย์ ผู้ที่ทำบาปด้วยด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เนี่ยพอร่างกายมนุษย์นี้ตายไปก็จะไปได้ร่างกายของเดลฉานแทนผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภพอร่างกายตายไปก็จะไม่มีร่างกายให้ใหม่แต่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยอยู่เรื่อยๆหิวอยู่เรื่อยเพราะไม่มีอะไรให้กิน แล้วผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวก็เหมือนกันก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่มีความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวผู้ที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทดวงวิญญาณก็คือดวงจิตเนี่ยก็จะกลายเป็นนรกขึ้นมาคือเป็นความทุกข์ลุ่มมีความรุ่มร้อนเผาผานหัวใจนี่คือ ผลของบาปที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตอนที่ร่างกายอยู่ก็เกิดแล้วเวลาเราไปทำบาปนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วไม่สบายใจก็ทุกข์แล้วแต่แต่ว่ามันทุกข์เดียวเดียวเพราะเดี๋ยวเราไปทาอย่างอื่นไอ้ทุกข์นี้ก็หายไปพอเราไปทำบุญไปทำความดีขึ้นมาสุขก็เกิดขึ้นมาถ้าทาความดีเราก็จะใจเราก็จะได้ความสุข ความสุขความเย็นความอิ่มทำมากก็เย็นมากอิ่มมากสุขมากเหมือนตู้เย็นมันมีระดับเราปรับไฟปรับให้มันเย็นมากเย็นน้อยได้ใจเราก็ปรับให้มันเย็นมากเย็นน้อยได้ด้วยการทำบุญทำบุญมากก็เย็นมากทำบุญน้อยก็เย็นน้อยนี่คือใจคือตัวเราเนี่ยที่แท้จริงคือใจ ผู้รู้ผู้คิดนี่แหละแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามันเราเลยไม่ไม่รู้จักตัวเราเองเราก็ไปรู้จักตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวเราไปคิดว่าเป็นตัวเราคือร่างกายเราก็เลยไปรักไปหวงไปห่วงร่างกายเราก็เลยต้องไปทุกข์กับร่างกายเพราะว่าจะรักยังไงจะหวงยังไงจะห่วงยังไงก็ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ได้ เมื่อเราคิดว่ามันเป็นเราเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายความไม่อยากให้มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเราความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ทุกข์อยากอยู่ไปนานๆก็ทุกข์อยากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็ทุกข์เพราะเวลามันไม่ได้มันก็ทุกข์ พอเดียวไม่สบายขึ้นมาก็ทุกข์ละพระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งเหล่านี้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็เลยค้นพบกฎที่กฎแห่งกรรมกฎที่ทำให้เราสุขให้เราทุกข์กฎที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดให้เราไปสวรรค์ไปนรกไปอบาย ให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็มันมาจากความอยากของเราเท่านั้นเองว่เวลาเราเกิดความอยากใจเราก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้ก็รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสนมกลิ่นอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปดูภา พ, พยนตร์อยากจะไปดูละคร อยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปร่วมหลับนอนกันก็ทำให้เราต้องพาร่างกายนี้ไปหาสิ่ ง, งต่างๆแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเราเก่งเราก็สามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปเช่นเราไปทางานหาเงินหาทองแล้วพอมีเงินมีทองอยากจะได้อะไรก็ไปซื้อไม่ต้องไปขโมยแต่พวกที่ไม่เก่ง หาเงินไม่เก่งก็ต้องไปขโมยขโมยบางทีก็ไปเจอเจ้าของเดี๋ยวก็ไปฆ่าเจ้าของอีกไปทำบาปอีกถ้าหาหาความสุขแบบนี้ก็มีโทษตามมาเพราะว่าจะต้องไปทาให้ใจร้อนขึ้นมาใจทุกข์ขึ้นมาทำให้ใจกลายเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนรกไป ถ้าเราหาโดยที่เราไม่ทําบาปใจเราก็จะไม่เป็นไม่ไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นนรกใจเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่มนุษย์นี้คือไม่ทําบาปเป็นผู้ไม่ทําบาปถึงจะเป็นมนุษย์จริงถ้าทําบาปแล้วเริ่มเริ่มกายพังอ่ะจากมนุษย์เริ่มกลายเป็นเดรัจฉานเริ่มกลายเป็นเปรตเริ่มกลายเป็นนรกไป ถ้าเราไม่ทำบาปได้เราจะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆตายไปเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเรายังมีความอยากมีร่างกายอยู่เราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ทันทีไม่ต้องไปใช้บาปก่อนแต่ถ้าเราทําบาปใจเราต้องไปใช้บาปก่อนต้องไปทุกข์ใ น, ในแบบนกรกหรือเป็นทุกข์แบบเปรตทุกข์แบบเดรัจฉานไปก่อน จนกว่าความทุกข์นั้นหมดไปถึงจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรานอกจากหาหาสิ่งของต่างๆโดยการไม่ทำบาปแล้วเรายังมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่มีเงินเหลือใช้เหลือกินก็เอาไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นใจเราก็จะสุขเย็นขึ้นเพิ่ม ข, ขึ้นมาอีกอเวลา ตายไปใจเราก็ไปสวรรค์อยู่กับความเย็นความสุขไปจังกา บ, บุญที่เราทำไว้มันหมดมันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ที่ยังต้องมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายต่อไปยังมีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นเราก็เลยมามารอรับร่างกายอันใหม่ พพ่อแม่เขาเริ่มผสมพันธุ์กันก็ไปแย่งกันหรือไปเข้าคิวกันก็ไม่รู้ละแล้วแต่แล้วก็พอได้ร่างกายใหม่มาอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนก็ออกมาพอออกมาแล้วก็เริ่มหารูปเสียงก ล, ลิ่นนดละออกมาก็ร้องแล้ะหิวละอยากกินน้ำละอยากจะกินนมละ อันนี้ก็มันก็จะเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของเราแต่ถ้าเราฉลาดรูด้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันไม่ดีแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ดีเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทุกกับร่างกายต้องทุกกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกกับการพัดพากจากกัน ก็ต้องจากกันเดี๋ยวพ่อแม่ลูกนี้ก็ต้องไปคนละทิศคนละทางกันเพราะร่างกายมันก็ต้องตายไปในที่สุดพอร่างกายตายก็ทุกข์กันอีกพระพุทธเจ้าเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายท่านก็เลยไม่อยากจะไม่อยากจะมาเกิดท่านก็เลยค้นคว้าหาสาเหตุที่ทำให้มาเกิดก็พบว่าเป็นความอยากนี้เองอยากมี อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากร่ําอยากรวยอยากเป็นอยากอยากเป็นโตความอยากเหล่านี้มันจึงดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆทุกแต่เจ้าก็เลยหยุดความอยากนี้ด้วยการใช้พลังของจิตคือสติถ้ามีสติก็จะหยุดความอยากได้ถ้ามีสติมีปัญญา ปัญญาก็คือเห็นโทษว่าถ้าถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจิตมาตายอยู่ถ้าอยากทีถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจิตมาตายไม่ได้ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก็ต้องหยุดจิตสิ่งที่จะหยุดจิตได้ก็คือสติก็ต้องมาฝึกสติกันมาพุโทโธพุโทโธกันมาเจาริญสติถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดจิตทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ แล้วพอมีปัญญาสอนให้หยุดความอยากก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้เรากลับมาเกิดใหม่ไม่มีอะไรจะดึงใจให้เราไปสวรรค์ไปนรกเพราะเวลาจิตใจเราสงบแล้วใจเราว่างใจเราเย็นเย็นยิ่งกว่าความความเย็นที่ได้จากการทำบุญนะพระพุทธเจ้าอยู่กับความเย็นอันนี้ ความเย็นของใจที่ไม่มีความอยากเป็นความสุขที่สูงสุดเรียกว่าพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังใจของพวกเราทุกคนสามารถทำให้มันเย็นแบบพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราปฏิบัติสติได้ปฏิบัติปัญญาได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถควบคุมใจเราได้ ควาภูมิใจเราไม่ให้อยากกับสิ่งต่างๆได้หยุดความอยากได้หยุดการกระทําบาปได้หยุดการกระทาํารรทบุญได้บุญก็ไม่ทําบาปก็ไม่ทําหยุดทุกอย่างอยู่กับความนิ่งความสงบที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีเปลี่ยนไม่มีหมดไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆ หรือความสุขที่เราได้จากการทําบุญมันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะความอยากมันยังมีอยู่ความอยากมันก็จะทําให้ความสุขที่เราได้จากการทําบุญความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวหายไปเพราะอยากจะไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ใจเราอไม่สงบะ ใจเราจะสงบจะนิ่งจะเย็นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่เรื่องของพวกเราทำไมเราจึงต้องมาทำบุญทำไมเราจะต้องลาบากันทำไมเราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจควบคุม จ, จิตใจให้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปเพราะความอยากมันทำให้ใจเราทุกข์กันเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันทุกข์ เวลาได้มาแล้วเวลาเสียไปก็ทุกข์อีกถ้าไม่มีไม่มีความอยากก็ไม่ต้องได้ไม่ต้องมีอะไรมีก็ไม่เดือดร้อนไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอันนี้แหละคือเรื่องของเราตัวเราที่แท้จริงคือผู้รู้ผู้คิดนี้ร่างกายนี้เป็นเพียงแต่เป็นเครื่องมือเหมือนเป็นน้นยน เวลาเราไปทำบาปถ้าร่างกายยังอยู่เขาว่าเอาร่างกายไปขังคุกเพราะเขาพอรู้ว่าตัวที่คนขับมันอยู่กับรถเขาก็เลยจับร่างกายไปขังคนขับมันก็ต้องไปด้วยแต่ถ้าเวลาร่างกายไม่มีแล้วเขาก็จับจับเราไม่ได้แล้วตารวจจับไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมยังจับเราต่อยังจับเราไปนรกไปไปเกิดเป็น เดลชานไปเกิดเป็นเ ป, นเปนรตหือไปเกิดเป็นเทวดาต่ออยู่ที่บุญที่บาปแล้วที่เราทำกันจึงสรุปว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงาการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเรามีทางเลือกเยอะแยะเลยเนี่ยสินค้าพุทธศาสนามีของให้เราเลือกเยอะแยะเลย จะไปเป็นเดลาฉานก็ไปได้เป็นได้เป็นเปรก็เป็นได้ไปตกนรกก็ไปได้ไปขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาชั้นต่างๆก็ไปได้ไปเป็นพรมก็ได้พรมชั้นต่างๆไปเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆก็ไปได้สินค้าเยอะแยะไปหมดเลยให้เลือกซื้อเอาเองพระพุทธเจ้าท่านเลือกเอาสินค้าที่ที่ดีที่สุดในร้าน คือ น, นิพพานจะได้นิพพานมันก็ต้องทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาของดีมันก็แพงหน่อยต้องต้องเสียเงินเยอะหน่อยของไม่ดีก็ก็ไม่ไม่ต้องเสียมากไปฆ่าคนก็ได้แล้วไปได้ไปนรกแล้วไปขโมยข้าว ข, าของก็ได้ไปแล้วไปเป็นเดรลชาแล้ว ไอ้ประพฤติผิดประเวณีก็ได้ไปเป็นเดลฉานนะ <c oughs> แต่ของดีก็ยากหน่อยทำบุญเนี่ยนิยา่าโยงต้องมาทำบุญแล้วก็ต้องไม่ทำบาปถึงจะไปสวรรค์ได้ต้องทำสองอย่างไม่ทำบุญไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญถ้าเสียดายเงินไม่ยอมทำบุญแต่บาปไม่ทำก็ได้แค่มนุษย์มนุษย์นี่คือเป็นผู้ไม่ได้ทำบาปแต่ไม่ได้ทำบุญ ก็มาเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ทําบาปแล้วทําบุญด้วยก็ไปเป็นเทพแล้วแต่ว่าทํามากทําน้อยเทพก็เหมือนโรงแรมหนึ่งดาวสองดาวสามดาวห้าดาวทําน้อยก็อยู่ดาวดาวน้อยทํามากก็ได้อยู่ดาวมากมการบริการก็ดีกว่าต่างกันความสุขได้รับก็ต่างกันถ้าอยากได้ โรงแรมที่เหนือกว่าที่มีดาวคือโรงแรมส่วนตัวเป็นเป็นเป็นเพนท์เฮาส์อย่างนี้ก็ต้องไปสวรรค์ชั้นผอมนู่นต้องนั่งสมาธิสมาธิก็มีหลายชั้นมีแปเก้าชั้นด้วยกันชั้นชั้นหนึ่งูปประชานสี่รูปประชานสีป่ป น, นี่โรดสมาบัติเนี่ยอันนี้ก็เป็น ความสุดระดับพรมโลกแล้วความสุดระดับอริยะเจ้าก็มีทั้งสี่โสดาบันสกิดาคามีถ้าไปพรมโลกก็ต้องนั่งสมาธิถ้าอยากจะไปสูงกว่าพรมโลกก็ต้องใช้ปัญญาตัดความอยากเวลาอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะซื้อกระเป๋าใหม่ก็ไม่ซื้อซื้อรองเท้าใหม่ก็ไม่ซื้อถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไป อันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆพอตัดความอยากได้หมดไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อีกต่อไปก็ไปเป็นพระอาหารหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่ต้องการอะไรจากในโลกนี้แล้วก็ไม่รู้จะกลับมาทำไมกลับมาก็ไม่อยากได้อะไร เหมือนกับร้านสินค้าร้านนี้เราไม่อยากจะซื้อแล้วเราจะกลับไปซื้อกว่าเมื่อก่อนเราชอบไปช้อปปิ้งร้านนี้มีเงินทีไรก็เข้าร้านนี้ทุกทีซื้อเยอกระทั่งเบื่อแล้วแล้วยังอยากจะกลับไปซื้อก็ว่าเห็นมีอะไรอยากจะซื้อแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นได้อะไรมาแล้ว เ, เดี๋ยวก็ต้องเสียไป ได้ลากมาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้ยศมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้สรรเสริญมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปได้คนนั้นคนนี้มาเดี๋ยวก็เสียไปได้อะไรมันต้องเสียหมดได้ร่างกายนี้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้ไม่เอาดีกว่าเวลาเสียมันทุกข์รู้สุกล้องห่มล้องห้ากันก็เพราะเวลาเสียเสียสิ่งที่เรารักไปใช่หม ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็ไม่เอาแนละ้สู้ไม่มีดีกว่าเราก็จะตัดความอยากได้ราบยศสารเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหมดเพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นเหมือนยาเสพติดใครอยากจะเสพยาเสพติดบ้างเสพแล้วมันดีแร้วไม่ดีมันสุขแต่มันเวลาได้เสพเวลาแต่เวลาไม่ได้เสพมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นความทุกข์ทรมานนี่คือปัญญา ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือราบยศสรรเสริญรูปเสียงกินรสนี้เป็นทุกข์ก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยนี่คือเรื่องของพวกเราที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาวัดเราจะไม่มีวันที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ต่อให้เป็นเมืองนอกเมืองาเป็นมหาวิทยาลัยระดับหนึ่งของโลก MIT Harvard เคมบริจออกซฟอร์ดก็ไม่มีวันที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ไม่มีใครรู้เรื่องราวเหล่านี้มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่รู้แต่พวกนี้เขากลับเห็นว่าเป็นความเชื่องมงายไปก็ช่วยไม่ได้ของจริงแท้ๆกลับไม่รู้กันกลับไม่ไม่เชื่อกันสิ่งที่เขาพิสูจน์ได้ก็เป็นของที่ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราของต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมามันก็เป็นเครื่องให้เราสุ ข, สข การไปพักๆเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ในใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่บาบไดที่ยังมีความอยากอยู่ก็ยังทุกข์อยู่เรียนต่อให้ไปเรียนระดับป ร, ริญญาเอกทางโลกจากมหาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็มาดับความทุกข์ใจไม่ได้มายุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้มาห้ามไม่ให้ไปนรกไม่ให้ไปสวรรค์ไม่ได้พวกที่ไม่เชื่อเขาก็เลยทาบากปก็นอย่างสบาย อย่างนี้นักปิยาศาสตร์ทาบาปกันอย่างสนุกเลยทำแท้งทำอะไรกันเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกมาเป็นเด็กพิการถ้าเด็กพิการก็เอาออกเสียดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระกับพ่อกับแม่เด็กก็ไม่ต้องมาทรมานเขาก็คิดไปในทางดีแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปเขาไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมว่าเด็กบางคนอดีตป็นทาบาปทากรรมมา มันต้องมาใช้บาปใช้กรรมมาเกิดมามามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพ่อแม่ก็เคยทำบาปทำกรรมมาก็เลยต้องมีต้องมาใช้บาปใช้กรรมกับลูก ก, กับกับการมีลูกพิการพิการไปก็เลยมาทำบาปเพิ่มเติมแทนที่จะหยุดทำบาปกับมองเห็นว่าเป็นประโยชน์เห็นว่าการทำบาปเป็นประโยชน์อย่างวันก่อนมีหมอถามเยหมอถามว่า จะต้องเอาเด็กออกจะทํำยังไงก็เปลี่ยนอาชีพสิเปลี่ยนไปทําทางอื่นดีกว่าไปทําทางอายุรกรรมหรืออะไรก็ได้รักษาชีวิตดีกว่าอย่าฆ่าชีวิตฆ่าชีวิตเพื่อรักษาชีวิตนี้ได้ไม่คุ้มเสียต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีใครฝืนได้เอาเด็กออกวันนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่แกมันก็จะกลับมาเป็นใหม่เพราะกรรมของมันยังไม่หมด ต้องปล่อยให้กรรมมันของมันหมดไปเองแล้วต่อไปมันก็จะกลับมาเกิดเป็นปกติได้แต่ถ้าเห็นว่ากรรมมาเกิดเป็นทุกข์ก็ไปบวชกันดีกว่าไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาตัดความอยากกันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดชาตินี้โชคดีเกิดดีร่างกายสมบูรณ์ชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่กลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดกันด อาจจะเป็นโลกเออเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ถ้ายังทำกรรมอยู่มันต้องเจอนะถ้าทำบานี้มันต้องเจอเนี่นขอให้เรากลัวบาปไว้ถ้าเรายังหยุดความอยากหยุดการหยุดการเกิดไม่ได้ก็ให้มันเกิดดีด้วยการทำบุญด้วยการละ บ, บาปไปก่อนพยายามอย่าทำบาปไม่ว่าโดยกรณีใดทั้งสิ้นอย่ามาอ้างว่าทำแล้วเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ไม่มัน คนทำเนี่ยมันจะต้องเป็นคนรับใช้บาป <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเรามาวัดแต่เด็กมารู้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะมันนี่มันความรู้ระดับทางาศาสนานี่มันต้องมีความเข้าใจพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนอย่างน้อยก็บางส่วนก็รู้บางส่วนก็ไม่รู้ ตอนนี้อย่างน้อยก็รู้แล้วว่าข่ามดไม่ได้ข่ายุบไม่ได้ขโมยของไม่ได้โกหกพ่อโกหกแม่ไม่ได้นี่ก็เป็นการทำบาปทั้งนั้นทำแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใช้กรรมกลับมาเกิดไม่ดีกลับมาเกิดอาการไม่ครบสามสิบสองสอนไปเรื่อยๆของพวกนี้ต้องมันสอนต้องมันพาเข้าวัดอยู่เรื่อยๆให้มันติดเป็นนิสัย ต่อไปเวลาโตขึ้นแล้วเขาจะได้เข้าหาศาสนาได้เขาจะไม่ปฏิเสธศาสนาถ้าลองปฏิเสธปั๊บนี่หมดหมดทางถ้าเขาไม่เชื่อศาสนาแล้วก็หมดทางถ้าเขาเชื่อ ย, ยังมีโอกาสอยู่ก็พยายามเข้าหาศาสนากันเพราะเป็นความจริงเป็นความรู้เหมือนกับที่เราเรียนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เอาไปใช้ประโยชน์ได้และประโยชน์ที่ได้ก็ดีกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยประโยชน์เราได้รับทางจากมหาวิทยาลัยก็เ <ATION> okay. ป็นประโยชน์ทางร่างกายเป็นประโยชน์ชั่วคราวร่างกายตายไปก็หมดแต่ประโยชน์ที่เราได้รับจากศาสนานี้เป็นประโยชน์ทางจิตใจร่างกายตายไปประโยชน์นี้ก็ยังไม่สูญไป ยังไปกับร่างไปกับจิตใจต่อไปแล้วก็จะพาจิตใจให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายในตามลำดับต่อไปนั้นก็ขอให้เราเห็นคุณค่าของพระศาสนาแล้วหมั่นเข้าหาเข้าศึกษาและปฏิบัติตามกันแล้วจิตใจของเราจะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ก็จะเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยเจ้า ไปถึงขั้นพออาาระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไห้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอโตตินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิดเะเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจัมโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมาวัานติอายุวโนโอสุขังภาลา กาอยากได้หนังสือซีดีก็มาหยิบไปเอาไปอ่านต่อไปศึกษาต่อฟังวันเดียวแล้วเดี๋ยวก็ลืมต้องฟังบ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆวันนี้ผู้ชมยูทูปแปดสิบกครับพระเจาส่วนเฟซ บ, บุ๊กสีาาา่ร้อหสิบครับเออครับทุกเป็นไงโปกใหม่ของ a c e บุ๊กนี้ไม่เป็นวิดีโอ เปลี่ยนเรื่อยๆอเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆให้คนได้สัมผัสรับรู้บรรยากาศบนขาวว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวถ่ายภาพคนดูคนฟังบ้างก็ได้หลายรูปแบบเก้าสิบวิใช่ไหมครับให้เก้าสิบวเอาเต็มเลยครับเอาก็ดีนะเขารู้จักวิธีให้ใช้เป็นบิลบอร์ดเป็นเว็บอร์ดโฆษณา งเป็นผู้จัด ก, การ ย, ยังยังไม่เป็นครับไม่อยากเป็นไหมไม่อยากครับอดีแล้ว <c oughs> อยากก็อย่าต้องกลับนะ <c oughs> <ๆ>ใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนถามได้นะ<ม>ถ้าไม่ไม่เช่นนั้น<ๆ>เดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาส่งคําถามเข้ามาอาจารย์ครับหลานหลานเขาบอกลูกผมว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเดินได้เจ็ดเก้า ไม่ใช่เรื่องจริงเขาบอกในเมื่อดเดือนที่แล้วมีข่าวมาเด็ก<อ>เกิดมาได้ปั๊บก็ยืนขึ้นมาได้น ะ, ะเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่านานๆมันจะเกิดขึ้นสักทีมันเป็นของแปลกก็เลยคิดว่าไม่จริงเพราะสิ่งที่ทำให้คนเรานี่ทาอะไรได้ก็อยู่ที่สตินี่ถ้ามีสติมากๆนี่สามารถสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมายืนได้ พยาบาลก็ตกใจเลยมีเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาปั๊บลุกขึ้นมายืนเลยเพราะว่าแสดงว่าจิตดวงนั้นมีสติมากสามารถสา่ให้ลุกขึ้นมาได้ถ้าจิตไม่มีสติตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ลุกเวลากินเหล้าเมาเนี่ยลุกขึ้นมาได้ปะเดินเดินตกไปตรงมาได้ปะเดินก็โซเซเมันอยู่ที่สติมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายมันเป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากสติอีกทีงถ้าสติสั่งให้ลุกมันก็ลุกแสดงว่าเด็กที่ลุกขึ้นมาได้ปุ๊บที่ออกมาคลอดออกมาปั๊บแล้วก็ยืนได้เนี่ยมีเพียงแต่ยังไม่ได้เดินให้เห็นนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่มีสติมากมีพลังมากพอคลอดออกมาก็เลยลุกเดินได้เจ็ดเก้า แต่ไม่ใช่เป็นประเด็นสาคัญให้เราจะต้องไปยึดว่าอันนี้เป็นจริงหรือไม่จริงมันเป็นเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนกับว่าจะแจ้งให้เห็นถึงความยิเศษของจิตของคนคนนี้ว่าเป็นจิตที่ไม่เหมือนคนธรรมดาถ้าภาษาจิงเขาเรียกว่าโงเ่เฮงใช่ไหม คนเราบางคนดูหน้าดูตามันบอกมันมีโง่เฮงมีบารมีใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันพอให้ให้โหดทํานายพยากรณ์อนาคตของเด็กคนนี้เขาก็บอกจะเป็นมหาจักรพรรดิเป็นระดับสูงสุดของโลกถ้าไม่เป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นมหาศาสดาทางศาสนาแล้วก็เป็นอย่างที่เขาทำนายกัน ก็มีบารมีมากหน้าตาผิวพรรณผ่องใสดูแล้วไม่เหมือนเป็นคนธรรมดาดัางนั้นคนที่พูดก็เป็นคนตาบอดพูดคนที่มาค้านคาสอนพระพุทธเจ้านี้เป็นพวกคนตาบอดใช่ไหมไม่รู้ตัวตัวเองยังไม่รู้จักตัวตัวเองว่าเป็นใครนั่นจะไปพูดเรื่องพระพุทธเจ้าไปอวดดีอวดด้ว่าพระพุทธเจ้าเดินไม่ได้เจ็ดก้าว ตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วจะไปรู้เรื่องของคนอื่นนะตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเลยใช่ไหมตัวเขาก็ต้องคิดว่าร่างกายเป็นเขานะทุกคนในโลกนี่ยคิดว่าร่างกายเป็นเราทั้งนั้นมีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่มาคิดว่าไม่ได้เป็นเราอ้ า, อานนว เ, าเลยอีกดุษฎีในศาสนาพุทธเนียน่ยใครเป็คนคิดขึ้นมาอ๋อเป็นคําสอน เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าที่ส่านแสดงธรรมแล้วก็ะสงท่องจําไว้ไงเนี่ยพระสูตรต่างๆนี่เป็นการ เ, เป็นศาสตร์เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ที่ที่ส่ว น, ห น, น, วนใหญ่บางบางบางอันก็เขาแต่งกันขึ้นมาเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณแต่ถ้าเป็นพระสูตรเช่นธรรมจักรกับประวัตินสูตรนี่เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า แล้วเขาก็ท่องจากันไว้เพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องบอันทึกเสียงไงเขาก็เลยต้องจากันท่องกันอันนี้สงจากการท่องมันได้มันทำให้มีสติมีสมาธิด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าไปในตัวเขาก็เลยใช้การท่องจําพระสูตรต่างๆแล้วต่อมาพอคนเขียนได้อ่านออกเขียนได้ก็เลยเอามาใส่เป็นตัวหนังสือกัน อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้นั้นไม่ไม่ใช่แต่งขึ้นมาใครหลังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เป็นคําสอนพระไตรปิฎกนี่เป็นคำคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมถือที่ศาสานาเนี่ยต้องสวดไ ด, ด้ตามคําสอนทั้งหมดหรือเปล่าไม่ต้องสวดเพียงแต่ให้เข้าใจคําสอนอ่านคําแปลก็ได้อ่านคำแปลถ้าสวดได้มันจะทําให้เราได้สมาธิเรานั่งสวดสักชั่วโมงดูเด้อ ใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีพลังที่จะนั่งนั่งดูดมหายใจนั่งสมาธิต่อได้แต่ขเข้าใจภาษามันไม่ใช่ภาษ า, ต, ออาต้องมาอ่านคําแปลต้องมาอ่านคําแปลถ้าไม่มีคําแปลก็ต้องอาศัยคนที่เข้าใจมาสั่งมาสอนอย่างกูบาอาจารย์ที่เราไปท่านก็อ่านท่านก็อ่านคําสอนเหล่านี้มาก่อนอ่านคําแปลมาก่อนแล้วท่านก็เอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์ จนกระทั่งเห็นจริงเห็นจังตามที่พระเจ้าทรงสอนก็เลยเอามาสั่งสอนพวกเราต่ออีกทีแต่งแผมสังเกตปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ท่อมได้หมดเลยครับบวนมลก็คือนค่ก็ท่านก็ต้องสวนกันเป็นพระ ท, ทุกลูกเลยบวชนี้เขาก็ต้องมีมีบวสชวนมลให้สวดอย่างน้อยก็มีบทสวนมลกเรีกับสิบสองตานานรืออะไรเนี่ยสิบเจ็ดตำนานอะไรไมีอยู่ หนังสือสวดมนต์ว่าพระจะต้องกิจจกิ จ, จกวัตของพระก็คือไหว้พระสวดมนต์เป็นอุบายของการฝึกสติเป็นการอุบายของการทําสมาธิแต่ถ้าสวดไม่ได้นีไม่มีทางไปไม่จําเป็ น, นะปนถ้านั่งสมาธิได้จิตรวมเป็นสมาธิก็ได้เหมือนกันเออไม่ไมีทางได้ได้ต้องมีปัญญาต้องเข้าใจคําสอนต้องละความอยากต่างๆให้ได้หมด ถึงจะไปนีผ่านได้ตอนเด็กๆผมดั ง, นงหน่อยพูดต อ, ตอนเปนนเ็นเป็นความรู้สึกตอนเด็กๆอ่ะผมก็รู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกตัวว่าว่าว่ามันเป็นผมแล้วพอโตขึ้นมาผมก็มาสังเกตว่ามันยังคงรู้สึกเหมือนเดิมความรู้สึกตัวครับ มันมันเหมือนกับว่าเออมันติดติู่ดวงเดียวมันมันมีความรู้สึกเหมือนเดิมอย่างเนี้ถึงเข้าใจถูกเลยครับแล้วมันได้เปลี่ยนไปกับร่างกายอร่างกายจะโตแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่บางอย่งตัวรู้อยู่ตัวรู้สึกอยู่ผมมักจะคิดว่าถ้าเกิดผมอายุมากขึ้นมันจะเปลี่ยนไปเหมือนเดิมไหมก็เป็นสุดว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เลยให้ผมเข้าใจถูกเลครับ ก็ถูกจิต ม, มันไม่ได้เปลี่ยนไปกับร่างกายแต่มันเปลี่ยนไปกับธรรมมันจะมีความรู้สึกดีขึ้นสุขมากขึ้นไปถ้าเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นจิตจะสงบมากขึ้นเย็นมากขึ้นความรุ่มร้อนความหิวความโหยจะน้อยลงไปความรวบความโกรธความหลงจะเบาบ า, บางลงไปถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรารักษาศีลได้นั่งสมาธิได้ทาบุญทาทานได้จิตเราจะเปลี่ยนไป แต่ถ้าเราทำบาปทำกรรมทำชั่วจิตมันก็จะเปลี่ยนไปในทางไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์มากขึ้นวุ่นวายใจมากขึ้นเดือดร้อนมากขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนไปกับการจเจริญเติบโตหรือการแก่เจ็บตายของร่างกายมันเปลี่ยนไปกับบุญกับบาปบุญทำให้จิตเย็นทำให้จิตสุข บาปทำให้จิตร้อนทำให้จิตทุกข์กิเลสก็เหมือนกันกิเลสก็ทำให้จิตร้อนจิตทุกข์เวลาโลภนี่ใจร้อ น, นคนที่ขับรถเร็วๆใ จ, ในใจนเนื่อใจร้อนเป็นพวกโลภทั้งนั้นอยากจะไปให้ถึงที่เร็วๆอยากให้ไปถึงจุดหมายไปทางเร็วๆบ า, างทีก็เลยไปทางรัด <laughs> ไปทางนรกแทนไปไปที่วัดแทนไปเมนแทน <laughs> ใจร้อนเนี่ยถ้าใจเย็นๆก็ไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปมันก็ไปสบายไม่รีบร้อนอะไรถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง<ม>ต้องมาฝึกใจเราให้เย็นลดความโลภ ก, กดลงลดล ด, ลดโลภโมโทสันแล้วใจจะเย็นจะมีความสุขความสุขเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินมากเงินน้อยได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากหรือน้อยอยู่ที่ว่าโลภมากหรือโลภน้อย โลภน้อยก็มีความสุขมากขึ้นโลภมากก็มีความทุกข์มากขึ้นต่อให้ได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ยังทุกข์ในใจอยู่ตั้งเงินทองได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทําให้ใจหายทุกข์มันกลับทําให้ใจทุกข์มากขึ้นเพราะอยากจะได้มากขึ้นไปอีกมันไม่เย็นมันจะทําให้ใจร้อนองนั้นเรามามาทําให้ใจเย็นดีกว่า ทำให้ใจเย็นด้วยการลดความโลภความโกรธความหลงทําให้ใจเย็นด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิทําใจเย็นด้วยการทําบุญทําทานแผ่เมตตาเนี่ยแผ่ไม่ต้องมาแผ่ตอนนี้ตอนที่เรามาเจอกันเนี่ยเอาข้าวเอาของมาแบ่งกันไม่ใช่ไปนั่งไหวพระคนเดียวแล้วก็สวดแผ่เมตตาตอนนั้นมันไม่แผ่มันไม่มีอะไรแผ่คนรับก็ไม่มีมีแต่การสวดอย่างเดียว แล้วก็เชื่อว่าส่งกระแสจิตไปครอบจักรวาลที่ให้ส่วนนั้นเพื่อให้เรารู้ว่าแผ่ไม่ตาแผ่อย่างไรเอาเวลาหหนตุไม่มีเวรกันไม่จองเวรจองเวรกรรมกันอัปบบยาปัชชาหหนตุไม่เบียดเบียนกันอนิคาหหนตุให้ให้พ้นจากทุกข์กันสุขีอตาลาังปริหะรันตุให้มีความสุขกัน เราต้องแพ่แบบนี้แพ่เวลาเราเจอกันเีจอกันมีขนมนอามาแจากกันสิมีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้เอาไปเก็บไว้ทําไมเอามาแบ่งปันกันให้พระก็ได้ให้คนแก่คนชราคนที่ยากจนก็ได้ก็แล้วแต่เราจะให้ใครก็ได้ทั้งนั้นให้แล้วทําให้ใจเราเย็นใจเรามีความสุขใจเรา เป็นเทวดาไปแต่ถ้าโลภเราก็จะเป็นเปรตไปคิวอย่างเดียวอยากได้อยู่เรื่อได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยขาให้ทําทานเพื่อแก้วความเป็นเปรตกันถ้าไม่ทําทานนี่มันจะทําให้เราโลภอยากได้อยากไม่อยากให้ใครแล้วโลภมากๆก็จะทําให้ไปทําบาปกันเพอ อ, อยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆอยากได้มากๆมันก็ต้องทําบาปโกหกหลอกลวง หรือช่อโกงแต่คนที่ทําบุญแล้วจะไม่ค่อยชอบทําบาปเพราะไม่รู้จะเอามาทมําไหมก็ขณะเรามีอยู่ที่นี้เรายังไม่ได้ใช้แล้วเราจะไปเอามาเพิ่มอีกทำไมใช่ไหมเอามาก็ามาแจากเขาอยู่ดีนั้นไปไปทําบาปเพื่ อ, อามาแจากทําไมไม่ขาดทุนเปล่าๆอยงั้นคนที่ทําบุญทําทานแล้วจะไม่โลภมากจะไม่ทําบาปง่ายจะทําบาปยาก ก็ได้ไดก็อยู่ที่คนเขารับรูเปล่าเหมือนถ้าเขาไม่สั่งของมาเราส่งไปได้ไั้มถ้าเราขายของที่ร้านนี่แล้วไม่มีคนมาสั่งของเราจะส่งของมาให้คนรับได้ปะก็ต้องสั่งก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคนที่จะรับส่วนอะไรนี้เขาต้องมาขอเราก่อนสั่งก่อนเข้าฝันเราอย่างเงี้ยออเอไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยช่วยส่งเสื้อผ้าไปหน่อย แต่นี้เรามันมีธรรมเนียมว่ า, าส่งไปเขาตายแล้วก็ส่งไปให้เขาเขาจะรับไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะาเราก็เราก็มีของจะส่งให้อกู่แล้วส่งแล้วเราก็ได้บุญเพิ่มอีกอีกชั้นหนึ่งก็เลยส่งมันไปส่วนคนจะรับได้รับหรือไม่ก็เราก็ส่งแบบสองแบบเลยขั้นต้นก็เจาะจงมาส่งให้คนนี้คนนั้นแล้วก็ต่อท้ายด้วยว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไป เผื่อคนนี้เขาคนที่เราเจาะจงเขาไม่รับเพราะเขามีบุญแล้วเขาไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเขาไปเป็นเทวดาแล้วเขาก็ไม่ต้องมารับแต่พวกที่ไม่มีญาติที่คอยส่งบุญไปให้ก็ให้พวกนี้ไปพวกที่ไม่มีญาติซับเหมือนงานเทกระจากเคเห็นไหมเลื่อนทิ้งกระจาดเขาก็เอาขอมาอยโยนกันให้ใครชาวบ่วงชาวบ้านใครอยากจะได้ก็มารอรับกัน อันนี้ก็แบบเดียวกันที่หลวงตาท่านจัดทําบุญเปิดโลกธาตุสามสิบเพศาพายก็แบบนี้ทําให้พวกสตวประสาทที่ไม่มีญาติพวกที่ไม่มีใครทําบุญให้เขาก็ให้พวกเขาเนี่ยมามารับกันเพราะญาตพีน่นมองงคนก็ไม่เชื่อทางศาสนาใช่ไหมพวกฝลั่งมั่งค่าพวกนี้ก็มันไม่มีการเท่า มันไม่มีการบุริศบุญกันเนยลยญาติพี่น้องที่มันตายบางต้มันมารอรับบุญก็ไม่ ม, มีใครให้บุญมันก็เลยต้องมารอรับจากพวกเราเนี่ยพวกชาวพุทธเนี่ยที่พว ก, ก เ, เออพวกที่เขาเป็นเปรต น, นี่ก็เต็มเลหมดแต่ไม่มีใครใ <น S 1> อุทิศุ<ล>ให้เขอ<ห>เออพวกนี้เขาเคยทําบุญที่ไหนนะก็เคยอุตรบุญกันท<ห>ี่ไหนใช่ไหอ เราก็ต้องมารอรับที่มีการอุทิศบุญก็มารอรับตานวัดของศาสนาพุทธเนี่ยทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญไปผู้ที่รอรับส่วนบุญก็จะได้รับไปแต่บุญที่เราอุทิศนี่มันเป็นบุญส่วนย่อยส่วนน้อยเป็นเงินเงินที่ให้ขอทานสู้บุญที่เราได้รับจากการทาของเราเองไม่ได้เหมือนกับเงินที่เราหาเองกับเงินที่เราได้จาก การเป็นขอทานนี่มันต่างกันอย่างที่ที่จำเป็นจะต้องให้เพราะว่ามันมีขอทานรอรับอยู่แต่ก็ได้แค่ระดับของขอทานนั้นให้ไม่ให้ไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้บุญดวทิศมัน ม, มีมีจำนวนจำกัดถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆก็ตอนนี้ยังไม่ตายรีบทำบุญกันซะตายไปจะได้ไม่ต้องมาเป็นขอทานรอร อ, อรับบุญจะได้ไปเป็นเศรษฐีบุญ พวกเทวดาเนี่ยนะพวกเศรษฐีบุญไปอยู่โรงแรมดาวต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมมันก็เลยต้องอยู่อยู่ตามศาลาวัดกระจายนะอยาจะลองให้เอาคำถามทางบ้านเข้ามามัง้งมีต่างประเทศไหมต่างประเทศกันวนนันไม่มี คำถามจากคุณลาวันค่ะจะละความอยากอย่างละเอียดได้หรือละความทุกข์อย่างละเอียดนั้นจะต้องมีสมาธิที่หนักแน่นจิตจะต้องไม่วันไหวใช่ไหมคะก็มันก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ต้องสามารถละของหยา บ, ยาบได้ก่อนความอย า, อย า, ายอกอยากได้ก่อนของอยากความอยากภายนอกอยากได้ลาบยศสรรเสริญเนี่ย ละได้ถึงจะไปละความอยากที่ละเอียดกว่าได้ต้องก่อนที่จะไปละี่ละเอียดก็ต้องไปบวชให้ได้ก่อนละละความอยากเป็นคารวาสให้ได้ก่อนยัล้าจากการอยากมีความสุขทางร่างกายก่อนแล้วถึงจะไปทําละความอยากที่ละเอียดที่ยังมีอยู่ในใจได้คําถามจากคุณสกายฟอลค่ะ ในทางพระพุทธศาสนาขอโทษนะคะในปัจจุบันมีคนจํานวนมากที่จ่ายเงินมากมายเพื่อเข้าอบรมคอร์สสร้างกําลังใจคลายกปมจิตใต้สํานึกโดยเป็นการสะกดจิตแบบฝลั่งในทางพุทธศาสนาได้อธิบายถึงจิตใต้สํานึกไว้หรือไม่ครับและ ว, วิธีการดังกล่าวสามารถนํามาแก้ไขจิตใต้สํานึกได้หรือไม่ครับหรือว่าเป็นเพียงความเชื่อของผู้เข้ารับการอบรมเองครับ จิตใต้สำนึกก็คือกิเลสตัณหาไงที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปโลภไปอยากต่างๆก็แก้ได้แก้ด้วยสติด้วยปัญญาเวลานั่งสมาธิเราก็หยุดความโลภความอยากไว้ชั่วคราวพอจากสมาธิมาความอยากมันไม่ได้ตายมันก็เกิดขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาพอปัญญาบอกว่า อันนี้ไม่ดีเราก็ใช้สติหยุดมันได้คำถามทีกคุณสิรินะครับเมื่อพบกับความทุกข์จะอยู่กับทุกข์อย่างไรให้ได้ประโยชน์แก่ตนเองอ้าวก็ต้องดับทุกข์สิวิธีดับทุกข์ก็มีสองระดับดับด้วย สติเรื่องหลับด้วยปัญญาหยับด้วยสติก็ให้สวดมนต์ไปบริกรรมพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์พอเราลืมเรื่องที่เราทําให้เราทุกข์ความทุกข์ก็จะหายไปแต่พอเราหยุดสวดหยุดพุดโทโธพอกลับไปคิดถึงเรื่องเก่ามันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาที่จรณาเรื่องที่เราทุกข์อยู่ว่า เรากำลังอยากกับอะไรอยู่เช่นทุกข์กับเรื่องเงินเงินไม่พอใช้เพราะอะไรพราะอยากใช้เงินใช่ไหมมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าความอยากของเราอยากใช้เงินทำให้เราทุกข์เราหยุดความอยากใช้เงินได้มันก็หายทุกข์หยุดเที่ยวหยุดซื้อของฟุ่มเฟือหยุดอะไรต่างๆไม่มีเงินมันก็ไม่ทุกข์นะ อันนี้ก็คือเรื่องของใช้ปัญญาปัญญาถ้าเราทุกข์กับเรื่องเงินทองเงินทองไม่พอใช้ก็เพราะเราใช้มากใช้มากกว่าเราหาได้เราก็อยากใช้เงินเราเราก็หยุดความอยากใช้เงินจะใช้กับของที่จําเป็นมันก็จะเหลือกินเหลือใช้มันก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองต่อไปแต่มันไปใช้กับของที่ไม่จําเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ ซื้ออะไรต่างๆมาเสร็จเนี้ยซื้อเครื่องดื่มชูกําลังซื้อขนมน ม, นมเนยซื้ออะไรจิปาถะร้อยแปดเห็นเราอยากได้ก็ซื้อซื้อซื้ออย่างนี้เงินก็จะไม่พอใช้ก็จะทุกข์ถ้าอยากจะให้หายทุกข์ก็ต้องมาปรับการใช้เงินทองลดความอยากใช้เงินทองให้น้อยลงไปใช้เท่าที่จําเป็นเงินทองก็จะเหลือใช้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทอง จากคุณรัตนานะครับเราจะทําอย่างไรให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นครับก็คิดถึงโัวกเขาโขกเราเลยเราอยากให้คนด่าเราหรือเปล่าเราอยากให้คนชมเรานึกเปล่าใช่ไหมเวลาคนชมเราเรารู้สึกอย่างไรมีความสุขไหมท่านใดเขาก็เหมือนเราเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเขาก็อยากจะให้เราชมเขาเราก็ชมเขาสิเจอหน้าทัก สวยเล้วเกินยิ้มหวานหรือเวลาคนเขาให้ของเราเรามีความสุขไหมเราอยากให้เขามีความสุขแล้วก็ให้ของเขาสิเราต้องค <play> ิดมุมกลับแล้วเราจะทำให้เราทําแผ่เมตตาได้แต่ถ้าเราไม่มองมุมกลับเราจะไม่รู้ความรู้สึกของคนที่เขาได้รับความเมตตาจากเราว่าเขาได้รับความสุขอย่างไรเวลาคนเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขานี่ เขาเขาเขดีใจไหมเวลาเราเดือดร้อนแล้วมีคนมาช่วยเหลือเราเราจะดีใจไหมไอ้แม่ดูข่าวบางคนเดือดร้อนมีคนมาช่วยเหลือถึงกับน้ําตาไหลเลยใช่ไหมนั่นแหละนี่คือความแผ่เมตตาคือการช่วยเหลือกันการแบ่งปันความสุขให้แก่กันละกันถ้าเราสามารถทําได้ทําไปเถอดเพราะมันจะย้อนกลับมาหาเราวันนึ่ง วันน้าข้างหน้าเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเหลือร้อนมันจะมีคนมามาช่วยเหลือเราเพราะเขาจะจำเราได้แต่เราอยากเพียงแต่อย่าไปหวังผลตอบแทนจากการกระทาเหล่านั้นมันจะทำให้เราไม่มีกำลังใจเวลาไม่ได้รับผลตอบแทนทันทีแอ่ว่าเราทำโดยที่ไม่หวังผลทผลตอบแทนผลที่เราต้องการก็คือขอให้เขามีความสุขเท่านั้น การที่ทําให้เขามีความสุขความสุขนั้นแหละจะกลับมาหาเราทันทีเวลาทําเห็นคนอื่นเขายิ้มเพราะเรานี่เราก็สุขแล้ว <c oughs> เวลาคนอื่นเขาร้องไห้เพราะเรานี่เราสุขไหมเราไม่สบายใจแล้ว <c oughs> ยังต้องแผ่เมตตาด้วยการคิดถึงโว้โอกเขาโวโอเเราเพราะเราทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์อย่างนั้นขอให้เราให้ความสุขต่อกันและกันอย่าให้ความทุกข์ต่อกันและกันเย <c oughs> คำถามจากคุณยายักษานะครับเราไม่มีเงินลูกให้เงินใช้เราเอาเงินไปทําบุญได้บุญไหมครับได้ถ้าเป็นเงินของเราแล้วเราจะไปใช้อย่างไรก็ได้เอาไปทํำบาปก็ได้เอาไปเล่นการพ น, นันไปซื้อเหล้ากินก็ได้เอาไปทําบุญก็ได้แล้วแต่เราจะกคุณกินการนะครับอยู่บ้านกับพ่อแม่กระทบกับข้างกันบ่อยมากคุณ รับมืออย่างไรคะเพื่อไม่ให้พูดและทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็ต้องให้เราคิดว่าเราก็ลังอยู่กับพระอรหันต์เวลาเราไปอยู่ไปหาพระนี่เราจะมีกระทบกระทั่งกับพระหรือเปล่าใช่ไหยก็มองพ่อแม่เราว่าเป็นพระอรหันต์เจอทีไรจะต้องคิดว่างั้นกาเราเจอพระเราจะได้มีความระมัดระวัง แล้วเราก็จะควบคุมใจของเราด้วยสติไม่ให้พูดไม่ให้กระทำในสิ่งที่เกิดความกระทบกระทั่งกันต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อพ่อแม่พยายามหมั่นนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะมีเราหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีได้ตอนนี้มันไม่ได้มาจากพ่อแม่เราเลยผู้ที่ให้ร่างกายเรามา ถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไปมีสามีมีภรรยามีสมบัติมีข้าวของมีอะไรต่างๆได้หรือเปล่าให้นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่แล้วจะทําให้เราเมีความเคารพรักพ่อแม่แล้วจะมีความเกรงอกเกรงใจพ่อแม่ถ้าเรารักพ่อแม่แล้วเราก็อยากจะทำแต่สิ่งที่ดีให้กับพ่อแม่จะไม่อยากจะทําอะไรให้พ่อแม่เสียใจยนั้นพยายามนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆ โบราณเขาถึงสอนให้ทุกครั้งที่กราบพระกราบพระแล้วต้องให้กราบพา่อกลาบแม่ด้วยคือไม่ได้ไปกราบที่หน้าหน้าตัก็ต่อหน้าเวลาที่เราว่ากราบพระเนี้ยกราบแล้วเราก็ต้องกราบพา่อกลาบแม่ด้วยเพื่อเราจะได้ระนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ให้ระลึกถึงทุกวันทุกเวลามันจะได้ไม่ลืมถ้าเราไม่ระลึกแล้วเราลืมเราจะไม่เห็นความสําคัญของพ่อแม่ไปดีไม่ดีจะเห็นเป็นตัวอ ตัวที่มาขัดขวางความสุขของเราไปก็ได้เป็นอาจจะมองว่าเป็นภาระไปก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามองถึงบุญคุณของท่านเร า, เราจะเห็นว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่การรับใช้พ่อแม่นี้ไม่ได้เป็นภาระเลย <Yeah. S 1> เป็นการตอบแทนบุญคุณที่เราจะไม่มีวันที่จะสามารถตอบแทนได้หมด <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะรัลีกอยู่เรื่อยๆแล้วจะทําให้เรารักพ่อรักแม่น yeah. แล้วเราจะเคารพจะเกรงใจพ่อเกรงใจแม่เวลาเราจะพูดเราจะเราจะระมัดระวังเวลาเราจะทําอะไรเราจะระมัดระวังคําถามจากผู้ไม่ประส่งออกนามค่ะกราบขอความเมตตาอธิบายประกเทศของการถวายปานะค่ะอ๋ออันนี้ถ้ายังไม่ไปถวายก็ไม่ต้องมาถามนะเวลาจะไปถวายก็ไปถามดีกวา่วาเหนย มันมีเยอะแยะไปที่วัดแล้วไปถางก็ว่าถอยยังไงดีกว่าอันนี้อยากจะพูดเรื่องภาวนาดีกว่าที่ปฏิบัติได้คำถามจากคุณพอนิพาค่ะกรณีร่วมกับทีมแพทย์ทำแท้งหรือทำลายเด็กในท้องเพื่อรักษาชีวิตแม่เป็นพยาบาลให้ยาระบบคนไข้ค่ะจะเป็นบาปไหมคะจะกั้นนักลนิพานไหมคะก็ มันก็มีบาปเพราะเรามีส่วนร่วมในการกระทามันก็จะทำให้เราต้องไปใช้บาปก่อนที่จะไปไปนิพพานได้เหนถ้าอยากจะไปนิพพานเร็วๆไม่ต้องไปวะใช้บาปก็อย่าไปทาบาปเปลี่ยนอาชีพใหม่เจะคุณปานีนะครับนั่งสมาธิก็เป็นไม่นั่งก็เป็นเหมือนตัวลอยหนุมไม่ได้คิดไปเองนะคะเวลานอนนั่งเดินยืนเหมือนกันหมด ทำอย่างไรถึงจะหายครับหนูทุกข์มากเลยทำไมต้องให้มันหายเรามันเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปดิเหมือนกับเรามีมีมีมีมีฝก็อยากไปอยากให้เอามันออกเนี่ยมีก็มีไปอยู่กับมันไปมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอเกิดความอยากมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวรอยหรือความรู้สึกว่าตัวรอยปัญหาอยู่ที่อยากจะให้มันหายที่มันไม่หายจะทำยังไง มื่ไม่หายก็อยู่กับมันไปแล้ว ก, การตัดความอยากไปปัญหามันก็จะหมดไปทุกขเพราะความอยากอจักคุณจิตตาพรนะครับไม่ออกมาการภาวนาทำเพื่อการภาวนาทาเพื่ออะไรและจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตอนไหนเจ้าคะาการภาวนาก็เป็นการ อบรมจิตใจสร้างความสุขให้เก็บจิตใจทําปุ๊บ ก, ก็ได้ปั๊บแล้วนั่งสมาธิจิตสงบก็ได้ความสุขแล้วเมื่อจิตมีความสุขมีความสงบจิตก็จะมีความอยากความโลภน้อยลงก็จะทําให้เราเป็นคนดีได้การที่เราเป็นคนดีไม่ได้เพราะความโลภของเรานี่แหละความอยากของเรานี่ อ๋อพ่อแม่บอกให้ทําอย่างนี้พอไม่อยากทําก็ไม่ทำนะแต่ถ้าเราไม่มีความโล้ความอยากมากพ่อแม่บอกให้ทําะไรก็ทําตามเราก็เป็นคนดีเป็นลูกดีอะ่างั้นภาวนานี้จะพอเราภาวนานแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ทําให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นทําให้เรามีความเามตตามากขึ้นมีความสุขมากขึ้น คำถามจากคุณจุธามนค่ะคนที่ชอบรังแกสัตว์ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานเช่นทุบตีถือว่าเป็นการผือสิ่งท่าหนึ่งด้วยไหมคะถ้าไม่ใช่คนที่ทําจะได้รับผลกรรมแบบไหนคะก็แบบเดียวกับที่เขาทําน่ยต่อไปก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์ท่านคนอื่นก็ามารัางแกทําอะไรก็จะได้กลับมาอย่างนั้นชาตินี้ที่เรากําลังรับผลต่างๆก็เพราะชาติก่อนเราเคยไปทํากับคนอื่นเข้าไว้ เจ้านี้เราก็ต้องกลับมารับผลนั้นอยากทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกลับนั้นเจะบอกถ้าทําบุญกลับมาก็จะรับผลบุญเนี่ยคนรักเราคนช่วยเหลือเราคนชอบเราก็เพราะเราเคยรักคนอื่นเคยช่วยเหลือคนอื่นเคยชอบคนอื่นถ้าเราเคยรังแกคนอื่นเราก็จะมาถูกเขารังแกคำถามจากคุณส <c oughs> ิริพรค่ะถ้าจเจริญศีลเจริญสมาธิ ได้พอมีสติระดับหนึ่งแล้วจะเจริญปัญญาให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้โดยกำหนดกฎตารักหรือโดยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจริงจะก้กาวหน้าในการปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปเจ้าคะก็ลองทำดูเลยมันก็ปัญญาสินสมาธิปัญญามันก็เป็นระดับระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดนสินสมาธิปัญญาระดับระดับหยาบมันก็ข่ากิเรระดับหยาบได้ สินสมาธิปัญญาระดับกลางก็ฆ่ากิเลสระดับกลางได้กิเลสมันก็เป็นระดับเหมือนกันสินสมาธิปัญญาเครื่องมือที่จะมากำจัดกิเลสมันก็เป็นระดับเหมือนกันะคุณอาลุณีนะครับการถือศินแปดสามารถดูลายอยู่ facebook และตอบกับความคิดเห็นได้ไหมครับถ้าจะรักษาศินแปดถ้ารักษาศินแปดอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายของการภาวนาก็ดูได้ แต่ถ้าต้องการภาวนาก็ควรจะปิดไม่ควรรับรู้เรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเรื่องบันเทิงหรืออะไรก็ตามโทรศัพท์มือถือก็ปิดไปถ้าเราต้องการภาวนาต้องการนั่งทนั่งสมาธิทาใจให้สงบเราต้องปิดการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดให้ไปอยู่คนเดียวในป่าอย่างี้เพื่อจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจจะได้ผลเร็ว ถ้ามัวแต่เปิดเครื่องเดี๋ยวก็จิตก็เข้าๆอากอกออก่องนั้นพอนจะเข้าสมาธิก็กังวลถึงวันนั้นคนนี้เปิดมาดูท่าหน่อ ย, ยพอเปิดก็เลยต้องโต้เถียงกันด่ากันว่ากันอีกมันก็เลยไม่เข้าข้างในสักทีแต่ถ้าเพียงแต่อยากจะรักษาศิ้นแปดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากว่าไอ้ที่เราไปเห็นนั่มันทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา เ้เดี๋ยวอยากกินข้าวเย็นขึ้นมานี่มันอาจจะเป็นปัญหาได้หรือเห็นแล้วอยากจะดูละครหรืออยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าถ้ามันดูเพื่อเป็นเป็นความรู้ก็ดูได้ถ้าคิดว่าเป็นเราเพียงแต่รักษาศีลนแปดให้จิตให้กายวาจาใจกายวาจาเราสะอาดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องการรักษาศีลนแปดเพื่อภาวนาเนี่ยเราก็ต้องปิดมันเลย อย่าไปรับรู้เรื่องทางตาหูจมูกเิ่นกายจะคุณสีญานะครับพิจารณาอสุภะขณะนอนแล้วหลับไปแต่พอตื่นใหม่ๆร่างกายไม่สดชื่นเกี่ยวกันใหม่ครับและทางที่ดีควรทําอย่างไรครับออสุภาษะนี่ก็พิจารณาได้ทุกเวลาขั้นแางนี่พิจารณาเพื่อให้เราจดให้เราจําให้เราเห็นบ่อยๆเวลาเห็นร่างกายใครก็ให้เห็นทะลุไป ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นซากศพไปเห็นอากาศเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้ี่ให้เห็นบ่อยๆให้จให้มันจำได้เวลาเห็นคนที่เรารักเราจะได้นึกถึงตับไตไส้กรูมเขาเห็นถึงโครงกระดูกเขาเห็นถึงเวลาที่เขาตายลองสมมติว่าถ้าเขาตายวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้อยู่ในบ้านเรารู้ปะ ตกปลายสับปล่าเลยไม่หวงเลยใช่ไหมใครจะมาแย่างก็ไม่ไม่ไม่หวงนะใช่ไหมแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นี่หวงไหวมใครแตะไม่ได้นะเออนั่นแหละให้คิดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปจะได้ไม่หวงไม่หวงถ้าไม่มีคู่ก็จะไม่อยากได้คู่จะคุณชินนะครับเมื่อคืนโยมนั่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวที่ปลายจมูกนั่งไปแล้วรู้สึกภายในตรงหน้าผากหุบวูบใจ โยมก็หวั่นนิดๆแล้วความรู้สึกนี้ก็หายไปอีกสักพักก็มาอีกแล้วก็หายไปแบบเดียวกันหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกอยากกืนน้ำลายลูกก็รู้สึกกืนน้ำลายแต่ขณะนั้นลูกก็ดูลมหายใจเข้าออกตลอดแล้วการที่โยมรู้สึกว่านั่งเองไปด้านหลังโยมก็ต้องนั่งเองมาข้างหน้าโดยขณะเดียวกันโยมก็ยังดูลมหายใจเข้าออกตลอดพอมีเวทนา ปวดเมื่อยขาก็รับรู้ไม่ใส่ใจเอาจิต ด, ดูลมต่อเนื่องไปจนลมเบาเวทนาหายแบบนี้โยมนั่งผิดหรือถูกเจ้าคะก็ต้องนั่งดูลมอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ไม่ต้องไปตอบโต้น้าลายมันอยากจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปเกินมันร่างกายมันจะเอ็นไปทางไหนก็ไม่ต้องไปปรับมัน อย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นให้สนใจอยู่กับนมอย่างเดียวจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้จะคุณนับนะครับถ้าสําเร็จอภิญญาหสามารถมีหูทิพย์ระลึกชาติได้ไหมครับและอาสวัชขยญ า, ยาสามารถทำให้สิ้นไปได้ไหมครับอภิญยานี้ทาไม่ได้ทำให้เกิดอาสวัขยญ า, ยาอาสวัขยญ า, านี้ต้องวิปัสสนาต้องปัญญา ต้องเห็นปลายรักเห็นริยาสัตว์ีถึงทําให้กิเลสให้หมดไปได้อภิน ญ, ญานี้เป็นเพียงแต่ความสามารถพิเศษทำให้เราบราึกชาติได้ทำให้เราติดต่อกับกายทิศได้ติดต่อกับเทวดาติดต่อกับเปรตกับผีได้แต่เราจะไม่สามารถใช้อภิน ญ, ญามาทำให้เราบรรลุมรรคผลนผิพพานได้จากคุณสมสุขนะครับ การที่เราแชร์หรือโพสธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราไปอ่านแล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์อ่านแล้วเตือนสติตัวเองและอยากแ บ, บ่งปันให้เพื่อนๆได้อ่านธรรมะบ้างแต่เราไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นๆในการแ บ, บ่งปันให้เพื่อนๆทางเฟซบุ๊กได้อาา่านเราทําผิดหรือบาปหรือเปล่าครับไม่ผิดเราถือว่าเป็ น, ปนคําสอนเป็นสาธารนณะธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านก็ถือเป็นธรรมทานอยู่แล้ว สามารถที่เอาไปเอาไปเผยแผ่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนด้วสิทธิ์ใช่ไหมไม่ได้เขียนด้วสิทธิ์ไว้นี่ว่าจะต้องเสียค่าด้วยสิทธิ์หรือขออนุญาตเจ้าของด้วยสิทธิ์ก่อนธรรมะเป็นของฟรีเป็นของอเป็นทานจากพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างๆก็มาช่วยเผยแผ่อีกต่อเองเราเป็นลูกศิษย์ก็มาช่วยกันเผยแผ่กันอีกต่อเอง แต่ถ้าเราไปเอาเก็บเงนินเก็บทองนี่ถึงจะผิดถ้าเราไปหาผลประโยชน์จากการเผยแผ่ธรรมที่ไม่ได้เป็นสินค้ามาทำมาเป็นสินค้าเพื่อเราจะได้รับประโยชน์นี่ถึงจะถือว่าผิดคำถามจากคุณชุธินันท์ค่ะคนที่ทนแท้งเนื่องจากหมอตรวจท้องแล้วเด็กไม่สมบูรณ์แบบไหมคะาอถ้าไ่ไม่ทำเด็กออกมาก็ไม่สมบูรณ์ ช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดค่ะอืมบาบยังไง่ะโง่ใช่ค่ะขาวจากคุณการ น, นาค่ะเราควรถวายเทียนพรรษ า, าหรือหลอดไปให้กับวัดอย่างไหนมีประโยชน์มากกว่ากันคะและไปวหว้พระพุทธรูปตามวัดจำเป็นต้องจุดธูปไหมคะ ก็ดูวัดที่เขาต้องการอะไรถ้าวัดก็ต้องการหลอดไฟก็ถวายหลอดไฟไปถ้าวัดที่เขาต้องการเทียนก็ถวายเทียนไปบางวัดวัดป่าก็ไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างบนเขานี่ไม่มีไฟฟ้าหลอดไฟมาก็ใช้ไม่ได้วันนี้เขาใช้เทียนกันหรือใช้สมัยนี้เขาก็ใช้ไฟฉายหรือไฟที่ชาร์จชาร์จด้วยไฟชาร์จด้วยแบตเนี่ยตอนเช้าเขาก็ลงไปที่ศาลาที่วัดเขาก็ชาร์จกันแล้วก็ขึ้นมาเขาก็ใช้กัน อยังก็ต้องดูคนใช้ว่าเขาใช้อะไรจะซื้อซื้อกระโปรงให้ผู้ชายอยเงี้ยมันซื้อไปแล้วใช้ได้ใช่ไหมมันก็ต้องดูคนอถึงจะดูว่าคนที่เขารับเขาขาดอะไรควจะให้สิ่งนั้นไปเอบางวัดหลอดไฟก็เยอะแล้วก็จ่ายเป็นค่าไฟไปก็ได้นบางทีหลอดเต็มวัดเลยแต่ไม่ไม่มีงินจ่ายค่าไฟยไฟ ก็มันต้องศึกษาดูบ้างแล้วคาถามจุดทูบจุดเทียนในไนี้เหละต้องจุดหรือไม่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกอามิสบูชาเป็นการแสดงความเคารพ บ, บูชาด้วยเครื่องสักการะถ้าเราอยากจะแสดงความเคารพต่อพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีมีทูบเทียนเราก็จุดไปตามธรรมเนียมตามก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับท่านจะต้องทํา ถ้าอยากจะปฏิบัติบูชาก็กราบแล้วก็นั่งสมาธินั่งไหว้ผ้าสวดมนต์เอตีปิโสไปก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาไม่ต้องไปไม่ต้องไปปฏิบัติต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้คือไปปฏิบัติเวลาอื่นก็ได้เวลาเจอผ้าก็แสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้เฉยๆก็พอถ้าเราไม่มีธูปเทียนดอกไม้ก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ดีแล้วแต่จอบคุณบัณฑิตนะครับ มักจะฝันเห็นพระที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีชีวิตอยู่มีคนว่าท่านเป็นอริยสงฆ์ได้สนทนาธรรมกับท่านอืท่านบอกว่ารู้แล้วให้ปล่อยวางแล้วท่านก็ลอยไปในอากาศอยากจะเรียนถามว่ารู้แล้วปล่อยวางเป็นคําสอนที่แท้จริงไหมครับเอ่ากระถามท่านเดินมาถามผมทำไมเดี๋ยวท่านมาใหม่ก็ถามกันดู คุณศิริวัฒนะครับถ้าเราบวชในช่วงเขา้าพรรษาเราสามารถลาสิกขาระหว่างช่วงในพรรษาได้ไหมครับคือถ้าบวชพระนี่ถ้าเป็นธรรมเนียมครับมักจะถ้าบวชตั้งพรรษาเขาก็จะพยายามอยู่จนให้ครบพรรษาเพราะถ้าเึกก่อนก็ถือว่าเป็นคนแบบโลเลคนที่ไม่สามารถทําอะไรที่ให้เป็นกิจจลักษณะได้ อันนี้หมายถึงพวกที่บวชเพื่อให้อยู่ทั้งพรรษาแต่สมัยนี้เขาไม่มีเวลาบวชกันทั้งพรรษาเขาก็บางทีบวชสิบห้าวันบวชเดือนหนึ่งแล้วเาก็เสร็จอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าในช่วงพรรานี้ทางวัดบางทีมันมีคนมาบวชเยอะบางทีก็เลยต้องเลือกเอาคนที่บวชทั้งพรรษาก่อน คนที่บวชแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เลื่เดือนหนึ่งถ้าไปรับมันก็ทําให้เสียที่เดี๋ยวบวชเดือนหนึ่งแล้วอีกสองเดือนก็ว่างไม่มีคนที่จะบวชทั้งสามเดือนก็ไม่ได้บวชนะยังบางทีทางวัดก็อาจจะต้องเลือกคนที่บวชยาวก่อนคนที่บวชสั้นเว้รอออกพรรษาแล้วค่มาบวชก็ได้เพราะคนยังเชื่อในธรรมเนียมของการบวชในช่วงเข้าพรรษากันอยู่คนที่เข้าเชื่อในในสูตรเดิม สูตรเดิมก็คือต้องเป็นผู้ชายอายุย0สบวชเพื่อทดแทดนบุญคุณของพ่อแม่บวชก็ต้องอยู่ให้ครบพรรษาแล้วก็ต้องอยู่รับผ้ากระถินอะไรเป็นเป็นสูตรตายตัวแต่สมัยนี้เป็นยุคโลกาพิวัตรเป็นยุคที่เราต้องทำงานกันมากเวลาที่จะหยุดมีน้อยก็เลยบวชได้แค่อาทิษฎบ้างสองอภิย์บ้า ง, า ง, อ ง, อาางเดือนหนึ่งบ้างก็อาจจะ รอไปบวชในช่วงที่นอกพรรษาก็ได้แล้วมันก็จะได้ทำให้ดูไม่แปลกเพราะคนเขาไม่รู้ข่อนจะคิดว่าอ น, นี่แหกพรรษานี่บวชมาแค่เดือนเดียวก็เสร็จแล้วเพราะเมื่อก่อนธรรมเนียมเขาจะบวชกันทั้งพรรษาเขาไม่เสร็จกันกลางพรรษาถ้าเสร็จก็แสดงว่าจิตใจโลเลแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ให้ครบไม่ได้ครบสูตร คำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะอยากให้พระอาจารย์อัขยายความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยอย่างมีสติกับอารมณ์ ค, ครับว่าแตกต่างกันอย่างไรครับสติก็คือการมีการต้เรเื่รู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังทำอะไรเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ถ้าเราทำไปโดยที่ไม่รู้เดี๋ยวเราทาผิดพลาดได้ เราก็เกิดความเสียหายได้แล้วใจเราก็ไม่นิ่งแต่ถ้าเรามีสติรู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่มันจะทำให้ใจเรานิ่งถ้าใจเรานิ่งอารมณ์ก็จะไม่ค่อยเกิดอารมณ์เรามักจะเกิดเพราะใจเราชอบไปคิดปรุงแต่งไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็เลยเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา อารมณ์รักบ้างอารมณ์ชังบ้างโกรธบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างแต่ถ้าเรามีสติแล้วมันจะไม่ค่อยเกิดอารมณ์ต่างๆใจเราจะว่างใจเราจะเย็นจะเป็นใจที่สุขุมรอบคอบจะไม่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเราคำถามจากคุณลาวันค่ะแม่เอาเงินของลูกจำนวนมากไปทำบุญโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกด้วยความปรารถนาดี แต่ลูกไม่พอใจบาปไหมคะถ้าเป็นเงินของลูกแล้วแม่เอาไปก็บาปแล้วล่ะเพราะเป็นการนักทรัพย์นะนอกจากว่าถือว่าเป็นใช้กันใช้ใช้ของกันละกันได้แต่ถ้าไม่ได้ถือว่าเป็นใช้ของกันละกันได้ก็ต้องขออนุญาตก่อนไม่ว่าจะเป็นเงินของแม่หรือของลูกถ้าไม่ได้เป็นของเราเราก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนถ้าเราไม่ขออนุญาตเอาไปโดยที่เขาแม่อนุญาตก็ถือว่าผิดศีลนะ เป็นการรักทรัพย์ของผู้ก็บาปจะคุณสอสอนะครับถ้าหนูอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่มีมานักที่สูงมากอยากรวยอยากได้อยากดังอยากอดอยากอวดอยากโชว์ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองเป็นทรัพย์ที่สามีให้หนูมาซึ่งแม่หนูอยากอวดอยากโชว์หนูรักและนัาถือพ่อแม่มากใไฟหนึ่งก็เป็นพ่อแม่ไฟหนึ่งก็เป็นทรัพย์สิง ของสามีหนูอยากให้พ่อแม่ได้ทุกอย่างแต่มันเป็นทรัพย์ของสามีเขาก็เลยไม่ยอมให้แม่หนูหนูควรปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไรดีครับก็เรื่องของพ่อแม่เขาอยากอย่างไงเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะครับเรื่องทรัพย์ของเราเรื่องของสามีเราถ้าเขาไม่ให้ก็ก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงะ ถ้าเป็นทรัพย์ของสามีแล้วสามีเขาไม่ยอมให้พ่อแม่เอาไปอวดก็เป็นสิทธิของสามีเขาแล้วความอยากอวดของพ่อของแม่ก็เป็นสิทธิ์ของพ่อของแม่เพียงแต่ว่าขอให้ให่อย่าให้มาทําแล้วเกิดการกระทบกระเทือนกันก็แล้วกันต่างฝ่ายก็ต่างเคารพสิท ธ, ธิ์ของกันและกันจะคุณน้ำคนนะครับในทางจิตวิทยาสิ่งเล่าที่มากระตุ้นทาง ตาหูจมูกลิ้นกายและใจการที่เรามีความตั้งใจไปรักษาสิ่งภาวนาคือเราพร้อมจะเบรศิ่งเล้าต่างๆทั้งหลายและทําจิตตั้งมั่นให้อยู่กับพุโทโธคิดและทําเช่นนี้เริ่มต้นถูกต้องแล้วใช่ไหมครับใช่ตอนต้นเราต้องปิดสิ่งต่างๆที่เคยมาลบเล้าใจเรา อ, อย่าให้มันเข้ามาเพราะมันเข้ามาแล้วจะทําให้ใจเราเกิดอารมณ์ต่างๆ เรายังไม่มีกำลังที่จะรับแบบไม่มีอารมณ์งั้นเราต้องปิดมันก่อนแล้วเราก็ไปฝึกจิตสร้างกำลังให้จิตนี้ อ, อยู่เฉยๆให้ได้ก่อนพอจิตเราอยู่เฉยๆได้ต่อไปเวลาเรามารับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจิตเราก็จะไม่เกิดอารมณ์ได้ตอนต้นเราต้องปิดก่อนแล้วก็ไปฝึกสติทำให้จิตนี้ไม่มีการตอบโตอารมณ์ต่างๆ ให้มีแต่การรับรู้เฉยๆพอเราไม่ตอบโต้เรารับรู้เฉยๆต่อไปเราก็มารับรู้รูปเสียงกลิ่นรดได้หมดได้ยังอพอแล้วหมพอแล้วพอพอก็เรากลับกันละก็ใกล้เวลาหมดพอดอีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิชพิจารณาไปปฏิบัต